พลาดดนก็ได้แต่ยังไงอ่ะคานก็ไม่ได้ประท้วงก็ไม่ได้เพราะตัวเองพลาดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสมาสิบหกครั้งแล้วเนี่ยแหมแต่ครั้งสองครั้งยังพอว่าเนี่ยอีกครั้งเถอะพระเจ้าข้าเป็นต้นนะสิบหกครั้งแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะบอกฉันพูดมาสิบหกครั้งแล้วนะเธอก็ยังไม่รู้เรื่องอีกว่า ง, งั้นนะะถ้าย่างี้ก็ก็เลยต้องรับเอาไปกูตาขานไปก็ไปพระเจ้าขาก็เลยเก็บผ่านนิสีตนะตามเสด็จพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับท่านทระนรินเข้าไปยังกูตาค า, ารศาลาป่ามาหาวันเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัส ก, กับท่านทระนรินว่าไปเถิดอ น, นุนเธอจงให้พวกเพียกสุที่อาศัยอยู่ที่กรุงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปาาัปฐานาศาลาจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันเพนเดือนสาม เป็นวันเพนเดือนสก็คือวันมาฆบูชานั่นเองเป็นวันมาฆบูชานะที่พระองค์ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ที่เมืองไผ่สาลีที่ที่ป่ามหาวันเนี่ยนะท่านพระนนท์ก็รับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วให้ภิกษุที่อาศัยอยู่ที่กรุงเวสาลีทั้งหมดประชุมกันที่อุปทานศาลาศาลาเป็นที่บํารุงปรนิบัติพระพุทธเจ้าหรือเป็นศาลาที่ฟังธรรม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 ทำเหล่าใดที่เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วทำที่พระองค์แสดงเพื่อความรู้ยิ่งน่คืออะไรบ้างก็คือโพธิปัตยธรรมปฏิปทายาณทัศนวิสุธทธิหรืออริยมรรคทั้งหลายนั่นะคืออริยมรรคทั้งหลายนี่แหละเป็นคุณธรรมที่แสดงเพื่อความ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 แปลว่าใสายใจให้ดีทรงจำเอาไว้ให้ดีซ่องเสพแปลว่าเจริญให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เจริญงอกงามโดยส่วนเดียวทำให้มากขึ้นโดยลำดับเมื่อเธอปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อพรหมจันท ร, ร์นี้จะพึงยั่งยืนพรหมจันท ร, ร์ก็คือพระศาสนาที่ประชมแห่งสิกขาสามเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเรียนซ่องเสพเจริญกระทาให้มาก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 ศกขาสามอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นไปเพื่ออริยมรรจเจริญบริบูรณ์เมื่อเธอปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าธรรมะเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเป็นการแสดงเพื่อความรู้ยิ่ง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 สัมมาประทานสี่ทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระอิทิบาทสี่อินรีห้าพละห้า 5, โพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโพธิปักขยธรรมเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วเป็นการแสดงเพื่อความรู้ยิ่งอ น, นะโพธิปักขยธรรมอันนี้เนี่ยนะคำว่าแสดงเนี่ยเหมือนกับว่ายกเอามาแจกเลยแบั้นเถอะถ้าพูดแบบภาษานึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนมรดกมา รวบรวมสร้างบุญบารมีเพื่อให้ได้โพธิปักขยธรรมมาเนี่ยสามสิบ็ดประการนี่แหละเพื่อเลือกเฟ้นคัดสรรและวันนี้สุดยอดสุดยอดแห่งคุณธรรมทั้งปวงที่จะนําออกจากทุกไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วในโลกของสังขารธรรมเนี่ยนะในโลกของการแสวงหาที่สูงสุดในการแสวงหาที่ประเสริฐสุดที่แสวงหามาสีอสงไขยแสนกับให้ทานก็เพื่อโพธิปักจะธรรม รักษาศีลก็เพื่อโพธิปัคขยธรรมเจริญเนคัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเนี่ยนะสรุปว่าบารมีสิบอุปบปารมีสิบมหาบริจกักทำทุกอย่างเพื่อให้โพธิปัคจยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะจะได้บังเกิดมีแก่สาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทำอย่างไรละ่ะที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้ยิ่งซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะจะเป็นไปอ่ะนะ โพธิปัจหยธรรมเหล่านี้ที่พวกเธอเรียนแล้วซ่องเศษซ่องเศพก็คือเอาไว้ในใจให้มันมีบ่อยๆ อ, อย่าไปคิดถึงโพธิปัจหยธรรมครั้งเดียวคำว่าซ่องเศษแล้วว่าให้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนเวน้นแต่หลับก็นั่นแหละดีนะเรียกว่าเศษอาเศวิตาเนี่ยนะไม่ใช่เอามาคิดครั้งเดียวเรียกว่าเศษคำว่าเศษเนี่ยนะแปลว่าบ่อยๆคิดบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆ จากปกติใส่ใจได้แค่สองนาทีก็เป็นสิบนาทีจากสินาทีก็เป็นชั่วโมงจากสิบชั่วจากชั่วโมงก็เป็นสิบชั่วโมง20ิบชั่วโมงสุดแท้แต่ว่าตื่นเท่าใดเธอก็ซ่องเสพเอาไว้เท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสพคําว่าเสพเนี่ยนะแปลว่าทําให้บ่อยให้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้คําว่าเจริญก็คือมันงามมากขึ้นเนี่ยนะไอสิ่งที่มันบ่อยนี่แหละมันเพิ่มพูนคุณภาพ เ, าเรียกว่างอกงามนะ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 เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นคําสั่งที่สําคัญมากเลยนะเป็นคําสั่งที่สําคัญมากที่ที่เรียกว่าแทบจะสําคัญจริงๆเหมือนกับว่าเนี่ยพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าบางท่านเถอะเป็นการเขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้เพื่อสาวกของพระองค์จะได้เป็นพระธรรมทธยาดลําลดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเตือนเพื่อูทั้งหลายอีกว่า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 ทั้งพาลและบัณฑิตคือจะโง่ขนาดไหนจะฉลาดปานใดนะทั้งมั่งมีและขัดสนยากจนนะแต่ว่าจะเด็กเนี่ยนะไล่ตั้งประปฐมังกระรลังโหติเนี่ยนะตั้งอยู่ในคันไล่ไปจนถึงอายุร้อยขึ้นไปเนี่ยนะจะเคลาเบาปัญญาปัญญาอ่อนเกิดด้วยอเหิตุกะปฏิสนธิทวิเหตุหรือจะติเหตุเป็นบัณฑิตรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าจะไม่ว่าจะเป็นปุตุชนจนถึงพระพุทธเจ้าปานใดก็ตาม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 ชีวิตก่อนตายควรทำอะไรก่อนพระ อ, องค์ก็บอกว่าง่ายๆเลยปฏิบัติให้ได้อรหัตผตลก่อนค่อยตายแต่ถ้าหากว่าชีวิตที่ไม่ถึงอรหัตผตลเนี่ยเป็นชีวิตที่มันจะเรียกว่าตายมันก็ไม่เชิงะนะมันมันก็ตายแหละแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรนะโรคหนึ่งทิ้งเพื่อเอาก้อนโรคอันใหม่ พูดแบบภาษามะเร็งหน่อยเขอบอกว่าแม่มะเร็งก้อนหนึ่งทิ้งอ่ะนะก็เอาก้อนมะเร็งก้อนโตก็เดิมเนี่ยนะทิ้งก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งทิ้งทุกอันหนึ่งถือเอาทุกอีกอันหนึ่งมันก็เรียกว่าทิ้งภาระอันหนึ่งก็ยิ่งไปอะไรนะออกจากคุกแดนหนึ่งไปอยู่แดน2ออกจากแดน2ไปอยู่แดนสามันไม่ไดีดีขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะฮันวัตต์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อชีวิตจะต้องตายเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะก่อนชีวิตจะแตกทําลายเนี่ยนะ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 เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วแปดสิบปีเข้าแล้วเนี่ยนะคือหมายความหง่อมที่สุดในสภาพของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ดํารงอยู่จนหนังเหี่ยวนะฟันหลุดฟันร่วงผมหงอกเป็นต้นเนี่ยจะไม่ดํารงอยู่ขนะนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าง่อมที่สุดแล้วชีวิตของเราเนี่ยเป็นของน้อยอีกสาเดือนนีน้อยจริงๆเลยนะ ของพวกเราถ้าได้ข่าว้อีกสเดือนจะเป็นยังไงอ้ยมีเวลาฉลองอีกตั้งสมเดือนนี่มั้ยชีวิตของเราเนี่ยเือน้อยและเราจะต้องละหรือจากพวกเธอไป